إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهداة ودين الحق ليظهره على دين كله ولو ك ر ه الكافرون أما ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ <ak> พี่น้องที่รักยิ่งครับโฮลสุบานุตราผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงกล่าวในคัมภีร์ของพระอนสรณะอลอาลัยครับว่า قد أفلح من تزكى ว่าเดะร์สมาโร บ, บิฮิฟอสเซล์าาบบลลพังที่พูดถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงทั้งในดุนย์และ้วก็ในอาเครอพอเราบอกเงื่อนไขนะครับสําหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือไม่ใช่จบแค่ดุนย์มี 3. เงื่อนไขด้วยกันอันแรกก็คือนะครับแต่เซ็ต้องเป็นผู้ที่รักที่จะขัดเกลาเป็นผู้ที่รักความสะอาดแล้วก็เป็นผู้ที่อยากแก้ตัวเองนั้นดีขึ้นไปเรื่อย หลังจากนั้นก็วาร์ดาการ์สมาโรบีหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีการให้ควรถึงพัานามของผู้ลอสซูบาอันหัวตาลเขาต้องคิดถึงนามของนายของเขาฟอร์ซันแล้วเขาก็ต้องมีการละหมาดขัดเก้าคิดถึงละหมาดองประกอบสามเงื่อนไขนะครับพี่น้องจะรักถ้เกิดเราสังเกตดูนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็เกี่ยวพันกัน แล้วมันก็ส่งผลให้กับทั้งชีวิตของเราในด้วยกับสามข้อนี้ดูง่ายๆครับแค่เรื่องของการละหมาดพี่น้องครับบางครั้งเราจะพบว่าเราไม่มีสมาธิในการละหมาดหรือบางทีเราละหมาดแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยมันไม่นิ่งมันบอกแวกหนึ่งไปหมดถ้าหากว่าเราทำสองอย่างนี้อย่างแท้จริงอย่างจริงจังก่อนที่จะละหมาดการละหมาดของเราจะมีคุณภาพขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือก่อนจะละหมาดซักษาขัดเกลีจิตใจตน พยายามคิดพยายามไขคุณเรากำลังจะละหมาดเพื่อออลลอห์นะเรารักพระองค์นะเรากลัวพระองค์นะเรายึดติดกับดุลยามากเกินไปไหมมีอะไรที่เราหลงลืมบ้างเราถูทดสอบอะไรบ้างถ้าเกิดเราพยายามขัดเกลีจิตใ จ, ใจตัวเองอะไรที่เราไม่ดีอะไรที่เราต้องแก้ไขวันนี้เราทําผิดพลาดอะไรบ้างถ้าเราขัดเกลีตัวเองก่อนจะละหมาดการละหมาดจะมีคุณภาพแน่นอนไม่ใช่ว่าไปทั้งในสภาพที่แบกบแบกดุลยาไปเต็มเตมแล้วก็เข้าไปละหมาดและนั่นละหมาดก็ ก็มีดุลยาเข้าไปด้วยการละหมาดก็ไรค่าเพราะฉะนั้นละหมาดจะมีค่าต้องเริ่มจากขัดเกลีจิตใจของตนซึ่งเราก็ได้คุยกันในตอนที่ผ่านมาก็คือว่า1ในรูปแบบการขัดเกลีที่ดีสุดก็คือการได้บริจาคทานในการได้ช่วยเหลือี่ผู้อื่นก่อนที่เรานั้นจะเข้าไปทําการละหมาดหลังจากนั้นครับเมื่อมีการขัดเกลีครับเราก็คิดถึงพระบรมราชานุสาวราย์อยู่ตลอดเวลา the caro z i k r u คือการคิดถึง เวลาที่เราคิดถึงใครสักคนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลคิดถึงเพราะเราเกลียดเขาไหมคิดถึงเพราะเราไม่ชอบเขาไหมหรือว่าคิดถึงเพราะว่าเราผูกพันกับเขาคิดถึงเพราะว่าเรารักเขาคิดถึงเพราะว่าเราแคร์เขาถ้าเกิดมุสลิมเราแคร์พวกลอสบ า, าร์โนตัล่าพี่น้องสังเกตดูครับพวกเขานใช้คำว่าวอร์การ์ลมารบบีฮีแล้วเขาคิดถึงนามของนายของเขาทําไมต้องใช้คําว่าคิดถึงนามของนายทําไมไม่ใช้คําว่าคิดถึงนายไปเลย ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับทำไมพวกลอไม่ใช้คำว่าวาร์เกคารรอลบบาูแล้วเขาก็คิดถึงเจ้านายของเขาแต่พวกลอสเวาตาใช้คำว่าวาร์เดกแกรสมารบบีแล้วเขาก็คิดถึงพระนามของนายของเขาทำไมต้องเพิ่มคำว่าพระนามเข้ามาด้วยทำไมต้องใช้คำว่าคิดถึงชื่อของพวกลอ ทำไมไม่บอกคิดถึงผู้รอดเฉยๆคำตอบครับในนี้มีฮิกมาอยู่มากมายมหาศาลเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าพี่น้องที่รักยิ่ครับเราจะรักผู้รอดมากขึ้นเราจะแคร์ผู้รอดมากขึ้นเราจะกลัวผู้รอดสุภานุวัตธรามากขึ้นถ้าเรารู้จักผค้มากขึ้นถูกไหมครับคือบางทีเหมือนกับถ้าเกิดเราไม่รู้จักอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะไม่คุ้นค่ากับมันเท่าไหร่อย่างพี่น้องสังเกตไหมเวลาที่เราไปทานอาหาร บางทีถ้าเป็นร้านหรูๆเนี่ยก่อนที่จะทานเขาจะต้องมีการอธิบายก่อนเนื้อนี้นะมาจากตรงนี้นะมีการเอ่อเพาะบ่มอย่างงี้นะมาเป็นหมักอย่างงี้นะทําอย่างงี้ทำมีการบอกให้รู้ก่อนทําไมล่ะพี่น้องเพื่อที่เราจะได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะกินโือบางทีเราซื้อปุ๊บอชัชฉระร้อเนะี่ยแพงจังเลยเนะี่ยแต่พอเขาสาธยายมาปุ๊บเออร้อยหนึ่งไม่แพงและหรือบางทีราคาจะสูงกว่านั้นเราก็รู้สึกว่ามันแพงเพราะอะไรครับ เพราะเรารู้ถึงคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นเกือบทุกอย่างในชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นครับถ้าเรารู้จักอะไรมากยิ่งขึ้นเราก็จะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นเหมือนได้เกิดว่ามีคนเอาอัญมณีมาแล้วไม่อธิบายอะไรเลยแล้วก็อ๋อเลยเออก็ใสด่ดีแต่ถ้าเขาอธิบายอันนี้มันหายากมากเลยนะในโลกที่มีแค่10บชิ้นในโลกสมมติ แล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมันผ่านการครอบครองของคนนีย้ยิ่งเรารู้จักมากเรายิ่งให้คุณค่ามากอันนี้คือกับสปปรรพสิ่งในดุ n y a เช่นเดียวกับคนเช่นเดียวกับผู้คนครับบางทีคนที่เราผ่านไปนับรอยนับพันในแต่ละวันเนี่ยแล้วก็ผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าเกิดเราได้ผ่านใครสักคนที่เรารู้จักเขา ที่เรารู้ความเป็นมาของเขาที่เรารู้ประวัติของเขาที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรบ้างที่เรารู้ว่าเขาช่วยอะไรเราบ้างที่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแค่ไหนที่เรารู้ว่าเขารักเราแค่ไหนถ้าเราจเจอคนคนนั้นปุ๊บเราใช้คุณค่าเขามากกว่าคนอื่นเพราะเรารู้จักเขามากอันนี้พูดถึงมักขลกุพูดถึงสิ่งถูกสร้างแล้วเมื่อเราพูดถึงพูดว่าลสุบะฮานะหัวตาลาล่ะแน่นอนครับพูดว่าลสุบะตาลาเน้นในดุนยาเราไม่มีทางเห็นพระองค์ เราไม่มีทางได้พูดกับพระองค์แบบสนทนาโต้ตอบเหมือนกับที่เราคุยกับมนุษย์แล้วเราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรเราก็จะรู้จ <lyrics> ักพระองค์ผ่านนามต่างๆของพระองค์ถูกไหมครับที่มุสลิมเราจําเป็นต้องเรียนพระนามของพระอัลลอฮ์ไม่มีครับซิฟะวายิบพระนามวายิบที่ว่าอัลลอฮ์จำเป็นมีชื่อ20ที่จําเป็นที่อัลลอฮ์ต้องมีไม่มีครับพระนามทั้งหมดคือพระนามที่งดงามของพระอัลลอฮ์ไม่มีครับที่มุสลิมจําเป็นต้องรู้20พระนามไม่มีพี่น้อง มุสลิมเนี่ยจำเป็นต้องรู้จักทุกพระนามของพู้อัลลอฮ์ครับพี่น้องทุกพระนามเลยเพราะทุกพระนามยิ่งเรารู้จักเรายิ่งรักอัลลอฮ์มากขึ้นเรายิ่งกลัวพู้อัลลอฮ์มากขึ้นเรายิ่งมีความหวังจากพกู้องมากยิ่งขึ้นเพราะฉนั้นครับที่ท่านอับดุลเบี๋ยมองัสสลาร์สลัมบอกว่าสำหรับผู้อัลลอฮ์นั้นมีอยู่99พระนามใครที่ได้มันเขาจะได้เข้าสวรรค์ใครที่เข้าใจใครที่ทบทวนใครที่ท่องจําได้จะได้เข้าสวรรค์ทําไมท่านอบีถึงต้องบอกถึง99 เพรมันไม่พอไงครับมืนกับที่บ้านเราบางทีเราเข้าใจว่ามีซีฟ้าวายิบมีอะไรวายยิบทีม่สิบไม่พอพี่น้องเอามาจากไหนก่อนดีกว่านาบีบอกไหมอลัลลอฮ์บอกไว้ท่านไม่บอกจบเพราะนาบีบอกไว้99แปลว่านั่นแหละคือสิ่งที่มุสลิมต้องรู้ยิ่งเรารู้จากพระนามของพัลลอฮ์มากเท่าไหร่รู้ในข้อเท็จจริงเรายิ่งจะมีความผูกพันกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเรายิ่งจะแคร์พระองค์มากยิ่งขึ้นแค่คำว่าพระนามอัลคอริสเนี่ยครับผู้สร้างเนี่ย เอาร้อสร้างอะไรบ้างล่ะเอาร้อสร้างเราสร้างพ่อแม่ของเราสร้างบัมพุลุกของเราสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาสร้างผู้หญิงคนแรกขึ้นมาสร้างสรัพดิ์ศรีทั้งหลายสร้างดุนยาขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์กับเราสร้างโลกให้กว้างใหญ่ไพศาลสร้างฟากฟ้าดุนยาฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งเนี่ยให้มีดวงดาราเต็มไปหมดนี่คือผู้สร้างแล้วก็มีฟากฟ้าขึ้นไปอีกหกชั้นแล้วพวกเอาร้อก็สร้างอารัชแล้วพวกเอาร้อก็สร้างกุรสีพวลเอาร้อก็สร้างปากกาพวกเอาร้อก็สร้างอะไขึ้นมาฟุ๊ ยิ่งรู้ถึงการสร้างของพวกล้อมากเท่าไรยิ่งใหญ่ยิ่งเราไปดูท้องฟ้าแสดงถึงความใหญ่ของล้อเห็นไหมครับเมื่อคิดถึงพวกล้อคิดถึงผ่าพระนามต่างๆของพวกล้อเราจะยิ่งผูกพันกับพวกล้อถ้าเราคิดถึงพระนามอันมุสาวิทผู้ที่ทําให้เป็นรูปร่างโอ้คนเราซึมพานั่นล้อโดยพื้นฐานเหมือนกันหมดมีใบหน้ามีหูมีจมูกมีตามีปากมีอะไรเหมือนกันหมดแต่คนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเราดูปุ๊บ ทำไมหน้าตาถึงไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่องค์ประกอบเหมือนกันมีแค่ปรับนล็กขึ้นหน่อยอันนี้เล็กหน่อยอันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้คิ้วตกอันนี้คิ้วขึ้นคิ้วหนาคิ้วบางคิ้วดําคิ้ว ข, ขาวผมสีนั้นผมสีนี้แต่บาระกัลลอฮฺมาบริสุทธ์แล้วพู้ที่ทรงสร้างสรรค์ให้มันเป็นรูปร่างบางอย่างแค่มนุษย์เนี่ยครับเราผ่านรูปร่างมาไม่รู้กี่รูปร่างถูกไหมครับเราหมั้งแต่สเปิมรูปร่างเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเป็นลูกออดลูกกบ ไปผสมปุติเป็น M อ็บออ่ะเป็นตัวกลมๆเป็นคล้ายๆกับเอเลี่ยนเป็นคล้ายๆสัประหลาดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับตัวมีหางเอ้ามีมีเท้ามีอะไรมาเราผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่ามาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกว่าที่เราจะมีรูปร่างแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกกระดูกก็เริ่มอาจจะงอลงอาจจะเริ่มมีการตัวเตี้ยลงอฟันก็อาจาออาจะร่วงเลยหรือว่ามีการงอกมีเราผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายเราไม่มีทางจะรักพ่อหรอเราไม่มีทางที่จะ กลัวพวลร้อนเราไม่มีทางที่จะหวังจากพวลร้อนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระนามต่างๆของพระองค์ต้องเรียนอย่างละเอียดด้วยเพราะนั้นถ้าเราพยายามขัดเกลาตนแล้วเราก็คุ้นคิดเราก็คิดถึงพวลร้อด้วยกับนามต่างๆของพระองค์จิตใจเราจะยิ่งสงบแล้วพี่น้องคิดดูแล้วพอไปละหมาดจะเป็นยังไง พอเราตักบีบหลังจากที่เราขัดเกลีจิตใจมาแล้วพอเราตักบีบหลังจากที่เราคิดถึงพระลอสุบาหัตามาแล้วพอเราตักบีบอัลลอฮฺอักบัลการละมาดจะมีคุณภาพตั้งแต่การตักบีบซึ่งเมื่อทั้งทังสามอย่างมั น, มนสอดคล้องกันขัดเกลีคิดถึงนามของพระลอสตลอดเวลาแล้วก็มีการละหมาดพอเราจะไปทําอะไรก็ตามเราก็อยู่ภายในกรอบของความเมตตาของพระลอส พี่น้องจะไปเรียนพี่น้องจะไปทํางานพี่น้องจะไปพูดคุยพี่น้องจะไปพักผ่อนพี่น้องจะทําอะไรก็ตามมันก็จะอยู่ในกรอบของผู้ที่ได้รับการขัดเกลาที่คิดถึงพระ อ, องค์ที่ได้ทําการละหมาดซึ่งเมื่อครบสามเ่ินไขนะครับอินนัซอยและแต่ันเฮอนิฟะชะอิบันมุงกันการละหมาดนั้นจะห้ามปลาลมจากความโชวชาญและความหลามง บางคนบอกอาจารย์ทำไมฉันละหมาดและฉันยังทําสิ่งที่อารอมยังมีความคิดชั่วชั่วยังทําพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่อ้าวก็ชัดเจนก็แปลว่าเราไม่ได้ละหมาดตามที่ควรจะเป็นละหมาดเราพวกเราอาจจะไม่รับเลยก็ได้ละหมาดเราอาจจะได้แบบสอบตกก็ได้หรืออาจจะได้ผลบุญน้อยมากๆเพราะถ้าเป็นการละหมาดที่เป็นละหมาดอย่างแท้จริงที่มีการขัดเกลาจิตใจที่มีการค้นคิดถึงพระองค์ การละหมาดนั้นจะยิ่งยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะมองอะไรเราจะมองด้วยกับมุมมองของมุสลิมเราจะฟังอะไรฟังด้วยกับความการรับฟังการรับรู้ของมุสลิมเราจะพูดอะไรเราก็พูดแบบที่มุสลิมจะพูดเราจะคิดอะไรเราก็คิดแบบที่ใจของมุสลิมนั้นจะคิดและนั่นแหละครับคือใจที่สะอาดคำพูดที่สะอาดพฤติกรรมที่สะอาดการมองที่สะอาดการฟังที่สะอาดการทำอะไรก็ตามที่สะอาด เพระนั้นอัฟลไะไม่หลือพี่น้องพบกับเซชนะไม่หรือพบกับความสําเร็จไม่หรือพบกับความสําเร็จแน่นอนพี่น้องจะไปทําธุรกิจพี่น้องจะไปทําการค้าพี่น้องเกินไม่โกงใครพี่น้องก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตพี่น้องก็จะพยายามทํางานอย่างเต็มที่ถามว่าเจริญไหมเจริญแน่นอนจะไปเรียนพี่น้องก็รู้ว่าเป็นอาหมายที่ต้องเรียนอยากรู้จักเอาล้อมากยิ่งขึ้นอยากมีความรู้มากยิ่งขึ้นถามว่าเวลาเรียนมีบราร์ก้ามีความเจริญไหมมีบาร์ก้า เวลาไปพูดคุยเวลาไปคบค้ากับใครใครก็ตามพบกับเราเขาได้บาร์กาไปด้วยพอเราไปอยู่กับกลุ่มใครปุ๊บเราก็จะได้อยู่กับกลุ่มคนที่ดีๆเพราะเราจะเลือกเฟ้นแล้วใครที่อยู่กับเราเขาก็จะได้อยู่ร่วมกับคนที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นของชัยชนะเนี่ยอยู่ที่สมข้อแต่รักกาพยายามขัดเกลีจิตใจเพราะจิตใจของเรามาพร้อมจะสกระปรก เพราะความคิดของเราพร้อมที่จะคิดสิ่งที่สกโปกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขัดเก้าจิตใจตลอดเวลาไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดีแล้วไม่ต่อให้ดีแล้วมันก็พร้อมที่จะชั่วยได้เช่นเดียวกันมันก็ต้องขัดเก้าตลอดเวลาอิสติกฟัดง่ายที่สุดในการขัดเก้าคือขอไปโทษต่อหลออสักรุลลออสักรุลลอสักรูลลอสังเกต ด, ดูครับแนวะชีวิตของเต็งลบีมอมาสุละห์อิสลามเนี่ย <c oughs> ท่านบีขัดเกลาจิตใจของท่านตลอดเวลาท่านลบีขัดเกลาจิตใจของท่านตลอดเวลาด้วยกับอะไรครับเ้วยกับการขอไปโทษไงอัสัฟุลลอัสัฟุลลอัลลยกโทษให้ฉันด้วยอัลลอไปโทษให้ฉันด้วยอัลลอไปโทษฉันด้วยนี่คือการขัดเกลียวจิตใจตนเองแล้วท่านลบีก็ขอเป็นประจำว่าไงนะครับยากอลีบัลกูลูซบิกลบีอัลาดีน โอ้ผู้ที่ให้หัวใจของฉันมีความหนักแน่นโปรดให้หัวใจของฉันมีความหนักแน่นมั่นคงในศาสนาของพระองค์ในการต่ออัตต่อพระองค์ผู้ที่ขัดเกลาจิตใจตนเองเป็นตลอดเวลาเนี่ยเวลาเขาดูอะไรก็ตามเขาก็คุ้คิดถึงแต่อัลลอฮ์ดูท้องฟ้าคิดถึงอัลลอฮ์ดูต้นไม้คิดถึงอัลลอฮ์พอจะมีความสุข ป, ปุ๊บคิดถึงอัลลอฮ์ดอกไม้สวยงามจังเลยอัลฮามดุลิละอาหาร อ, อร่อยอร่อยจังเลยอัลฮัมดุลิละดีจังเลยที่ได้กินข้าวอัลฮัมดุลิละดีจังเลยที่ยังได้เดินเหินไปมา ทำอะไรก็ได้อะทมดีแล้วหัวใจที่ผูกพันต่อเลาะตลอดเวลาทำอะไรมันจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขละหมาดก็จะมีแต่ความขูชัวก็จะมีแต่ความเกรงกลัวก็จะมีคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่ย้ำเป็นประจำผมขอย้ำเตือนกับตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักทุกท่านครับผมหากอยากจะประสบความเสเร็จในชีวิตพี่น้องไม่ต้องไปตำหาตามหาหนังสืออะไรให้มันวุ่นวาย ไม่ต้องไปดูเด็กซิเขตไม่ต้องไปเจอโค้ชไม่ต้องไปทําอะไรพู้รับบอกชัดเจนแล้วอยากประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมเริ่มจาก3ข้อนี่คือจุดเริ่มต้นที่ต้องเริ่มถ้าเป็นการเฟสเนี่ยโอเคจะเริ่มอะไรเนี่ยไม่รู้และเอาตามที่เขาจะเริ่มนั่นแหละแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราเชื่อมั่นในคําสอนของพู้รับเราเชื่อว่าพู้รับคือพระเจ้าพู้รับรู้ดีที่สุดพู้รับเป็นผู้มีความสามารถอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ผู้รับบอก หากเจ้าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงทำให้ได้เริ่มต้นด้วยกับ3อย่างอย่างแรกขัดเกลจิตใ จ, จตัวเองตลอดเวลาอย่างที่สองคิดถึงพุทลัทธตลอดเวลาด้วยกับพระนามต่างๆของพระองค์แล้วก็ต้องละหมาดให้มีคุณภาพ3อย่างนี้ถ้ามันดีทุกอย่างดีหมดเลยพี่น้องจำได้ไหมท่านาบีมฮัมมัดสละลอยสลัมบอกว่าสิ่งแรก ที่เบาวจะถูกสอบสวนในวันเตียมะคืออะไรสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนคือการละหมาดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะถ้าการละหมาดดีทุกอย่างดีหมดเลยการละหมาดจะควบคุมทุกอย่างเลยการละหมาดจะควบคุมความคิดการละหมาดจะควบคุมคําพูดการละหมาดจะควบคุมพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุลยาหรืออาเครออย่าไปแยกสิอย่าไปแยกว่าละหมาดเนี่ยมันเฉพาะอาเครอละหมาดเนี่ยสาหรับดุลยาเลยเราได้ในดุลย์ยาเลย ละหมาดอย่างมีคุณภาพเราทำอะไรก็มีคุณภาพเราจะมีคนที่เราจะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมากยิ่งขึ้นมีความอดทนมากยิ่งขึ้นมีความใจยินมากขึ้นมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่มักง่ายเราจะไม่เป็นคนที่สูรุ่ยสูร่รายเราจะคิดว่าที่เราใช้จ่ายน่มันควรแล้วใช่ไหมเพราะเรารู้ยต้องถูกสอบสวนแล้วยิ <c oughs> ่งเรามีเงินเยอะๆเน่เดี๋ยวเราจะเข้าสวรรค์หลังจากคนที่ยากจน อีกยาวนานนานนานแสนานเลยเราก็จะได้คิดคิดให้มันจริงๆว่าตกรงมันคู่ควรแล้วใช่ไหมทุกบาททุกสตังที่ใช้ใช้ไปทุกบาททุกสตังที่ฉันเอาเป็นอาหารมาบริโภคอาหารที่บริโภคนั้นมันฮาลานใช่ไหมเสื้อผ้าที่ฉันใส่มันถูกต้องใช่ไหมพฤติกรรมที่ฉันทามันถูกต้องใช่ไหมพี่น้องที่รัก แปลว่าทั้งหมดมันมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกันแล้วทั้งหมดกลับไปที่หัวใจถูกไหมครับขัดเก้าจิตใจก็อยู่ที่หัวใจไงคิดถึงพวกวะก็หลักๆมันก็อยู่ที่ใจที่อยากจะคิดถึงที่มันผูกพันไงแล้วการละหมาดคุณค่าของการละหมาดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความคูชัวไม่มีความอิคลาสอยู่ในหัวใจแปลว่าทั้งหมดกลับไปที่หัวใจแปลว่าถ้าใจมา ทุกอย่างเราทำได้หมดพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะถ้ามีใจสักอย่างงานหนักแค่ไหนเราก็พร้อมทำทำเพื่อคนที่เรารักทำเพื่อคนที่เราแคร์ทำเพราะเรากลัวหรือเพราะเหตุผลใด ก, ก็ตามถ้าใจมามันทำได้หมดถ้าใจไม่มาบางทีงานง่า ย, ายๆเราก็ไม่อยากทำบางทีแค่จะยกมือแค่จะตักมือเอามือไปจับช้อนตักอาหารเข้าปากบางทีเขาไม่อยากตักถ้าใจมันไม่มาอาหารมื้อนี้ฉันไม่ชอบอะไรกันเนี่ยอาหามีแต่กลิ่นเหม็นมีแต่นั้น ถ้าใจไม่มาสะอย่างของง่ายเค่ตักอาหารเข้าปากเราก็ไม่อยากทำแต่ถ้าใจเรามาครับโอ้วันนี้ฉันอยากกินอาหารมื้อ น, นี้คือมื้อ น, นี้มันต้องทำการหมักต้องทำการกวนต้องใช้เวลายาวนานฉันพร้อมเพราะใจฉันมาอย่างอาหารอาลับอะครับถ้าเกิดพี่น้องไปแถวอิมิเลียดะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮาริเซ่ issa, ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับมันคื อ, อ, อแกะกวน แกะกวนแพ้กวนซึ่งใช้เวลาทำเนี่ยเป็นวันพี่น้องคือกวนจนมันเป็นเส้นเหลวเป็นรสชาติมาัชาร้อนรสชาติอร่อยแต่ว่าใช้เวลาทำนานมากๆเป็นวันเป็นวันจริงๆเลยที่ดูเอากำลังใจจากไหนไปทำารือเป็นวันนี่ยไปกวนหรือว่าบางดีครับบางท่านมีทุเรียนเยอะอย่างเงี้ยมากวนทุเรียนมันก็ใช้เวลานะ อาหารที่กวนอาหารที่ต้องต้มบางทีอาหารที่ต้องตุ๋าาตตนใช้เวลาถ้าใจมาทําได้หมดเพราะฉะนั้นมุสลิมครับถ้าใจเรามาเนี่ยทุกอย่างเราทําได้หมดเลยพี่น้องขอแค่ใจมาจริงจะลุกตะฮัดยุทธเนี่ยถ้าใจมาพี่น้องลุกได้ทุกคนแหละงั้นสรุปครับทําไมเราลุกตะฮัดยุทธไม่ได้ใจไม่มาทําไมใจไม่มาอ่านนี่ต้องถามตัวเองละเราละหมาดมีสมาธิได้ทุกคนถ้าใจมาถ้าใจไม่มาเพราะอะไรอ่ะต้องตรวจสอบตัวเองละ ทำไมใจถึงนี่มาทุกอย่างมันมีคาอธิบายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทั้งหมดกลับไปหาที่ใจเราก็ต้องระวังใจาวเราให้ดีเพราะพี่น้องจาได้ใช่ไหมครับท่านบีมัวสร์วัสดาร์ซามบอกว่าทุกเช้าเนี่ยอวัยวะทั้งหมดเนี่ยมันจะบอกเตือนหัวใจบอกว่าเนี่ยถ้าคุณดีนะพวกเราก็จะดีด้วยถ้าคุณแย่เราก็จะแย่ไปหมดหัวใจ ท่านนบีมูฮัมหมัดสละสลักบอกว่าไงครับอาลาอินละฟิลจัสมิลลมุดะกะอิดะไซลุฮัสสลัดจัสมุลกุว่อิดะฟาสลัดฟาสลัจัสมุลกุอาลาวยลกัในร่างกายมันมีก้อนไรว่าอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมล่ะถ้ามันดีทุกอย่างดีหมดเลยถ้ามันชั่วร้ายมาเลวร้ายทุกอย่างก็ชั่วร้ายหมดมันก็คือหัวใจเพราะใจที่ชั่วร้ายครับก็คิดแต่ความชั่วพูดแต่สิ่งที่ชั่วดูแต่สิ่งที่ชั่วเห็นแต่สิ่งที่ชั่วฟังแต่สิ่งที่ชั่วทาแต เพราะหัวใจมันชั่วร้ายทำให้ทั้งหมดต้องเจอกับความกดดัวของพลวัลถ้าหัวใจดีพี่น้องหัวใจดีคิดดีคิดดีพูดดีพูดดีมองดีมองดีฟังดีฟังดีทําดีกลับมาที่หัวใจหมดเลยเพราะฉะนั้นที่เราต้องระวังคือหัวใจของเรานี่ยแหละครับผมขอทักทายพี่น้องก่อนนะครับผม คุณฟารุกนะครับจะซากุมละคารันนะครับจากพัฒนาการแชร์ให้แล้วนะครับแล้วก็สลามะก็วารุมสลามอตุลลอฮฺวะบรักกาตุครคุณไม่ดีสลามจากภูเก็ตนะครับวารุมสลามอตุลลอฮวะบรักกาตุใช่ไหมช่วงนี้สาวาะลาหมาดไม่ค่อยคุยชัวเท่าไหร่ก็ต้องตรวจสอบตัวเองครับเพราะว่ามันยากนะอย่างที่บอกก็คือมันยากมากๆที่เราจะให้ใจเราคุชัวทุกครั้งเวลาที่เราละหมาดแต่เราก็ต้องพยายาม แล้วก็พยายามดูว่าจะมีอะไรที่ช่วยเราได้ก็ทําให้เต็มที่ครับผมขอปล่อยความแง่ใดกับพวกเราทุกคนครับผมคุณชาลีแอร์นะครับเจซากุมลอฮุไคลรอนครับทุกครั้งที่โพสต์มาก็จะให้กําลังใจเสมอขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็สลาหมาก็ไว้คุณสลามอบุลล์วะบาร์กกาตูครับผมกําลังใจก็กลับไปเรื่องของหัวใจอีกเช่นเคยนะครับผมคุณนารุ่งอรุณนะครับมาชาล์ลอสสลามมาอามินอัลฮัมดิลลาห์นะครับก็ไว้คุณสลามอบุลล์วะบาร์กกาตูนะครับคุณพาคินาวัตนะครับ ชื่อคุณคุณเนี่นะครับผมสาวชือีฟิฟาหรือเปล่า อ, อ้าวอิสฟาสลามาครับเลยคุณสลาหมัตุลล้ววะบาร์กาตูครับอู้งานหรือเปล่าเนี่ยเรไปคุณสวนะครับสลามานะครับวาลิคุณสลามาตุลล้ววะบาร์กาตู่ครับทำงานไปได้วยฟังบรรยายไปได้วยไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมอิมามอับเดนแกรีมครับสลามาไม่ได้ทักทายกันนานนี่มามสบายดีนะครับวาลิคุณสลามัตุลล้ววะบาร์กาตูครับอาจารย์ขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมกันครับผมเรามาพูดคุยกันต่อครับพี่น้องมัน มันมีเรื่องเล่าคือไม่ใช่เรื่องเล่านะความจริงนะแต่ว่ามันมันค่า้างจะขมขื่นหน่อยมีคนคนหนึ่ะเดินผ่านบ้านหลังหนึง่งแล้วก็ได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอานคนคนหนึ่ง น, นะครับเดินผ่านบ้านหลังหนึง่งแล้วได้ยินเสียงอัลกุรอานคนคนนั้นสงสัยก็เลยไปทักทักว่าอะไรรู้ไหมครับที่บ้านนี้มีใครตายเหรอที่บ้านนี้มีใครตายเหรอ พี่น้องมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับคําถามนี้แปลว่าอะไรอีกทีหนึง่งคนคนหนึ่งเดินผ่านบ้านหลังหนึง่งได้ยินเสียงกุรานจากบ้านหลังนั้นก็เลยถามว่าบ้านนี้มีใครตายหรอล่มันแสดงว่าอัลกุรอานสําหรับเขาจะได้ยินก็ต่อเมื่อมีคนตายใช่หรือไม่ ประเด็นนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับผมน่าเป็นห่วงมากเหมือนกับบางทีแบะคนบางคนเห็นเห็นใครสักคนละหมาดเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเลยเหรอเลยละหมาดอันนี้แปลว่าถ้าไม่เด็ดร้อนไม่ละหมาดใช่ไหมเรื่องนี้กลับไปหาอะไรครับกลับไปหาหัวใจของผู้ศรัทธาแปลว่าผู้ศรัทธาเราเราทำตัวให้เคยชินกับอะไรเราก็จะคิดแบบนั้นไงใจเราก็จะผูกพันกับสิ่งนั้นถ้าเกิดเราคิด เรารู้เคยชินแต่ว่าถ้าเกิดมีบ้านคนตายนะต้องมีการอ่านอ่ากุรอ่านมีการอ่านตรัสรัตนะต้องมีอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะก็เคยชินแต่เรื่องอะไรแบบนี้พอถึงเวลาปุ๊บจะอ่านกุรณาให้มันดีๆให้ได้ให้อลลอลรักเนี่ยทําไม่เป็นแล้วเพราะอะไรครับเพราะไปคุ้นเคยกับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมันต้องมีสิ่งนี้ก่อนมันถึงจะทําสิ่งนั้นไม่ใช่นะพี่น้องไม่ใช่นะพี่น้อง เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหัวใจของเขาเนี่ยออกห่างจากการคิดถึงผู้อัลลอฮฺซุบฮฺบะฮันอฺขอหัวตาละอันตรายนะพี่น้องคนที่ออกห่างจากการคิดถึงผู้อัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายเขานะที่ออกห่างจากการคิดถึงอัลลอฮ์แต่มันคือใจของเขาแล้วมันก็คืออาร์เครอของเขาใครออกห่างจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ย่อมออกห่างจากครับ ใครที่ไม่คิดถึงกู้ล้อในยามที่เขามีความสุขกู้ล้อก็ย่อมจะไม่ช่วยเหลือเขาในวันที่เขามีความทุกข์ในสุลตาบาครับผูรลกล่าวครับไวเดมาอุนซิรสูรตุนเลาา่าต่อไปดูมลาบะฮัลยรากุมมินอัฮัดินซุ ม, มันซรฟูซารฟัลลอฮุกุลูบะฮุมบิอั น, นหุมกามุลลายักฟะฮูนลบ พ, พูถึงกลุ่มชนที่รับฟังศาสนธรรมแต่ไม่ได้ไประโยชน์อะไร กุ่มเชิมที่ว่าถึงเวลาจะมาแอบฟังท่านนบมีมูฮัมมัดสลลลอยสลัมอ่านอัลกุรอานบรรดาหัวหน้าชาวกูเรสที่ว่าถึงเวลาปุ๊บตอนกลางคืนจะมาแอบฟัง น, นบีตอนท่านนาบีลุกมาละมาตาดยุดเขาอยากฟังกุราอานคนนั้นมาฟังคนนี้มาฟังคนรู้มาฟั ง, นนฟงพอมาปุ๊บมาเจอกันอ้าวทําไมนายมาด้วยอ้าวเธอมาด้วยอ้าวแกมาด้วยออามาทําไมล่ะนี่มูฮัมมัดเนะี่ยมาทําไมทั้งหมดก็พูดเหมือนกันอ่าอโอเคเรามาฟังเฉยๆเพาะดีฟังเสร็จอย่าให้ใครรู้ว่าเรามา แล้วก็แยกย้ายกันไปพพลเชคใชคําว่าไงครับโพลเชคใช้คำว่าซุมมันโซราฟูหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปโซรฟลลาฟอนโลฮูกูรูบาหุมอัลลอฮ์ก็ให้หัวใจของเขาไม่ใช่แค่ตัวที่ไปอัลลอฮ์ให้หัวใจของเขาก็ผินออกไปด้วยและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าตัวไปใจอยู่อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าตัวไปแล้วใจไปด้วยอันนี้คือหายนะแล้วครับหายนะแล้ว บางคนเนี่ยเวลามีการเรียนการสอนปุ๊บแบบไม่อยากฟังและอยากไปที่อื่นละตัวไปใจก็ไปด้วยเขาไม่กลัวเลอไม่กลัวเลอที่เราจะให้ใจของเขาน่มันออกไปจากศาสนาเหมือนกับผู้ไปศรีทตาที่ขนาดมาฟังะุรานชัดเนี่ยแต่พอเขาไม่อยากรับเขาออกไปพวกเราก็เลยให้ใจของเขาออกไปด้วยมันมันไม่น่ากลัวหรือพี่น้อง ถ้ า, าว่าทั้ง إ ي م านของเราหัวใจของเราวิญญาณของเราพวลอให้มันหันออกไปจากศาสนาที่ถูกต้องหันออกไปจากหลักการที่ถูกต้องไม่กลัวเลยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราอะเห็นเขามีการเรียนการสอนแล้วเราเอาตัวออกห่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบตัวจิตใจของเราให้ดีว่าทําไมเราถึงออกหา่า เพราะใจของเรามันพร้อมที่จ ะ, ตะเตลิดเหมือนคนบางคนที่ยินเสียงอาจารปุ๊บรีบเพ่นเลยเพ่นพร้อมกับชัยตอนที่ได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเพ่นคนคนนี้ได้ยินเสียงสาผู้ฉันไปก่อนเฉินไปก่อนแล้วรีบไปอย่ามีทุเละเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่ต้องละหมาดนี่คือใจของเขาเมื่อเขาเลือกที่จะออกอัลลอฮ์ก็เชื่อเขาออกเพราะนั้นน่ากลัวหรือเตือนเขาว่าใครสักคนที่เขาเลือกที่จะหันหลังให้กับพวกลอสซูบานูอาตายแล้ พวกล้อก็อาจจะให้ทั้งใจทั้งอี إ ي ่านทั้งหมดของเขาออกห่างจากพระองค์ไปด้วยครับผมในเรืี้ครับท่านนาบี ม, มรรูฮัมมัดสลลัลได้กล่าวไว้นี่นคือคมาบุคคริมา ม, มุสลิมจากท่านอบูบากิดอะไรซีท่านนาบี ม, มสรรุสลิมสลลัลนะครับครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในมั ส, สยิดแล้วก็มีผู้ค น, นมานั่งห้อมล้อมท่านนาบีมาศึกษากับท่านนาบี ม, มรรูฮัมหมัดสลลัลท่านนาบีนั่งสอนอยู่ก็มีผู้คนมาเรียนอยู่ มีคนสามคนที่เข้ามามีคนสามคนเข้ามาสองคนแรกเนี่ยพอเห็นมีการเรียนการสอนปุ๊บรีบตรงเข้ามาเลยอีกคนหนึ่งพอเข้ามาปุ๊บเห็นว่ามีการเรียนการสอนปุ๊บก็ก็เห็นก่อนก็เงียนไปก่อนเลวยังไม่มีใครสังเกตนะฉันเพ่นไปก่อนอะท่านอะบีกาลังสอน มีคนสามคนเข้ามาที่มัสยิดสองคนพอ ร, รู้มีการสอนปุ๊บเข้ามาอีกคนนึงรู้มีการเรียนการสอนปุ๊บเห็นไปก่อนทั้งบีมุฮัมมัดสลแลลลอฮุอะลัยสัลลัมได้กล่าวว่าไงครับแลล่าคคนแรกนะครับ พอเขามาปุ๊บเขาอยากมาเรียนกับท่านนาบีมุสลิมมีวงอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็หาว่ามีช่องว่างตรงไหนบ้างมีช่องว่างตรงไหนเขาก็พยายามเดินเข้ามาข้ามข้ามข้ามข้ามเ ข, ข้ามาเพื่อที่จะได้มานั่งตรงช่องว่างตรงนั้นให้ใกล้นบีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนคนที่สองครับเห็นว่าคนแน่นและไม่อยากจะเข้าไปเบียดเสียดกับใครก็เลยนั่งอยู่ข้างนอกก็ยอมรับเนี่ยก็ตัวเองมาสายก็ก็นั่งแบบมาสายนั่งแบบคนมาสาย คือไม่อยากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอะคําถามก่อนที่จะคุยถึงฮะดิษต่อถ้าเป็นพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะเลือกอะไรระหว่างคนสามค น, นคนแรกพอรู้มีการเรียนการสอนปุ๊บเข้ามาให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คนที่สองกลัวว่าจะไปรบกวนคนข้างในก็เลยอยู่ข้างนอกไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ใช่กลัวโดนถามนะแต่กลัวรบกวนคนอื่นเลยมาอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ชั้นชานแต่ก็ตั้งใจเรียนอยู่หรือคนที่สามครับ เห็นว่ามีกเรียนปุ๊เพ่นก่อนดีกว่าหรือบางทีเอาลูกเมียมาเรียนซะเอาครอบครัวมาเรียนเอาคนอื่นมาเรียนแต่ฉันอะไปก่อนไปนั่งสูบุรีไปนั่งคุยกันไปนั่งโมงกันข้างนอกรอรับกลับบ้านอ่ะเราเป็นใครครับระหว่างหนึ่งในสามเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าท่านอับดุลเลาะห์สลาห์มูฮัมหัดพูดถึงคนทั้งสามว่าอย่างไรบ้างช่วงที่รอนะครับทักทายพี่น้องก่อนนะครับบังหนับนะครับสลาหมาจากและงงูนะครับก็วายลิคมสลาห์มูฮัมหมัดอับดุลเลาะท์วทบารักานะครับผม แล้วก็ขอบคุณการมีส่วนร่วมทั้งหมดแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทุกกําลังใจก็จะจะกุมุลลอห์ขายรอนครับผมเรากลับมาที่ฮะดีสต่อนะครับในฮะดีสเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมเห็นชายสามคนใช่ไหมอสองคนแรกมาปุ๊บก็คนนึงเข้ามาหาที่ว่างอีกคนนั่งอยู่ริ่ ม, มอีกคนเพ่นไปก่อนท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมได้บอกว่าไงครับ ท่านอับดุลเบียร์มัสยิดซัมได้บอกว่าอาลาอัลบีร์กุมอันนั้นอันนััสอัลซาเลให้ฉันบอกพวกคุณไหมถึงคนทั้งสามท่านอบีไม่ได้ระบุไม่ได้เจาะจงท่านบีกํากำลังสอนอยู่แล้วก็บอกซอบาทั้งหมดก็ได้ยินกันหมดจะให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับชายสามคนไหมซ อ, อบาได้ยินก็สนใจสิครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านอับดุลเบีย ร, รม์มัสยิดซัมบอกว่าไงครับอัมมาอาับดุฮุมฟาอาวาอลิลลอ์ าวา่าอาฮุลลอคนแรกเนี่ยเขาอยากมาใกล้ชิดอัลลอฮ์ผู้ลอร์ก็ให้เขาได้ใกล้ชิดกับพระองค์สุบานอัลลอฮ์แปลว่าดีเหมือนกันครับคนแรกที่เข้ามาพยายามหาช่องว่างแล้วก็มาเพื่อได้อยู่ใกล้การเรียนการสอนมากที่สุดเขาอยากมาอยู่ใกล้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เขาได้อยู่ใกล้กับพระองค์ส่วนคนที่สองเนะี่ยเขาอาย เขาอายพู้อเลสุบฮานูรตาแล้วพู้อเลสก็อายเขาเขาอายคืออายว่าเขาจะสร้างความเดือดลอนให้กับมัคคุลุคนอื่นพู้อเลสก็อายที่จะลงโทษเขาดีไหมครับดีเหมือนกันครับพี่น้องคนแรกอยากอยู่ใกล้อเลสอเลสก็ให้เขาได้อยู่ใกล้ผองค์คนที่สองเขาอายที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าอเลสอเลสก็อายที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีกับเขา ดีทั้งคู่ไม่ดีทั้งคู่พี่น้องจะเลือกใครเอาเลือกเอาครับผมว่าอัมลออครับฝ่าอราะฝ่าอารอดลลอฮุอันส่วนคนที่สามเนี่ยเขาตีตนออกห่างพวกล้อก็ออกห่างจากเขาการออกห่างคืออะไรครับการที่เขาออกห่างก็คือเขาไม่สนเขาไม่อยากจะเรียนรู้ ส่วนการที่พวกรอออกห่างคือการที่พวกรนั้นกั้นไม่ให้เขาได้รับความเมตตาจากพระองค์มันน่าเสียงไหมมันมันมันน่าเสียงไหมล่ะครับผมกัลลลลาบบบรนนกกกูู <S <S ี <S <S ีมุย أ إ ن ن ทท ف ف ท, ท่่นะ่าาาลลลละน ะ, ะเเเเเเธออมมยย ร, นะรรืน์ีข มันเป็นเพราะหัวใจของเขาเนะี่ยถูกปิดถูกปิดผนึกหัวใจถูกปิดผนึกกับพี่น้องถูกลั่นดานน่ะเหมือนมีของพี่น้องมีแค่พี่น้องเอาฝาชีมาคุมอะ่ะหรือเอาอะไรมาครอบอะ่ะไม่ให้มันหลุดออกไปอะ่ะกัลลาบาร์นอาลากรูบีมาการุยักซีบุนแต่ทว่าหัวใจของเขานั้นมันถูกปิดกัน เป็นสิ่งที่น่ากลัวหัวใจถูกปิดกันคือไม่มีทางที่จะเข้าได้พี่น้องกันน้ากันฝนกันลมกันความดีหัวใจที่ถูกกันห่อหุ้มปกป้องให้รอดผลจากความดีมันจะเหลืออะไรแระพี่น้องก็เหลือแต่ความชัว่วสิพี่น้องกัลลาบารอนอลากรูบิมาแกนอยากซีบุนแต่ทว่าหัวใจของเขานะ่มันถูกปิดไว้ด้วยจากการที่เขาเลือกคนขวายให้กับตัวเขาเอง เพราะเราไม่ได้อาทามเขาถ้าไม่หัวใจเขาโดนปิดก็เขาเลือกเอง่งเขาขนขวายที่จะออกห่างจากความดีเขาคนขวายที่จะออกจากการเรียนรู้ศัจธรรมเมื่ อ, อไรก็ตามที่เรามีออกจากความถูกต้องสิ่งที่รอเราอยู่ก็มีแต่ความผิดทั้งนั้นเลยพี่น้องมีแต่เรื่องโกหกมีแต่เรื่องมั่วเท็จพี่น้องถูกไหมล่ะพี่น้องเห็นด้วยไมไหมล่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราหาปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ยอมรับคําตอบที่ถูกต้องเนะี่ย พี่น้องหาไปอีกร้อยปีพี่น้องก็ไม่เจออะไรหรอกเจอแต่เรื่องความเท็จเท่านั้นแหละเพราะนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าเลือกที่จะหลบหนีถ้าเลือกที่จะออกห่างพวกเราก็เขาออกห่างกันละอินนะฮุมอัลรอบิมเยอมายดินละมาชูบุลคนประเภทนี้พเพราะว่าบอกว่าไงครับแต่ถ้าว่าในวันเดียมะพวกเขาจะถูก กั้นออกจากนายของเขาทั้งๆ ท, ที่วันนั้นนะเขาต้องการให้อัลลอฮ์ช่วยมากที่สุดแล้วพี่น้องแต่เขาจะโดนปิดกัน้นเพราะเขาเลือกปิดกั้นตนจากอัลลอ์ก่อนถือว่าอัลลอ์ก็จะปิดกั้นจากพวกเขาเช่นเดียวกันซึ่งอินนุฮุมลซอลจ่ฮิมและอะไรล่ะที่รออยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็จะต้องไปยังชาฮิมไฟนอลกซึ่มายุกอลอาดเลจีกุนตุมบีตูกาซิวุนีไงละ่ละหังนั้นจะมีการพูด นี่ไงล่ะสิ่งที่พวกเจ้าหาว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนี่ไงสิ่งที่เจ้าคิดว่ามันไม่มีจริงนี่ไงสิ่งที่เจ้าทำตัวเหมือนกับว่ามันไม่มีจริงนี่คือสโลอัลโมตอฟฟิฟินที่พลอสซูบาตราเตือนเอาไว้ถึงคนที่เลือกที่จะปิดใจตัวเองจากการเรียนรู้ปัจจุบันยิ่งน่ากลัวครับการไม่ยอมรับฟังสัจธรรมนอกจากจะต้องเป็นสิ่งที่อาจารย์ฉันพูดเท่านั้น ถ้าคนอื่นพูดฉันจะไม่ฟังฟังแต่อาจารย์นี่คือการเลือกปิดกั้นรูปแบบหนึ่งซึ่งมันน่ากลัวครับคนรูปแบบนี้จะกลายเป็นคนที่ตอซุบเท่านั้นพี่น้องต่อให้เขาอ้างว่าเขาตามสุนนะต่อให้เขาอ้างว่าเขาตามนาบีตราบใดก็ตามที่เขาเลือกจะฟังแค่อาจารย์คนเดียวหรือแค่อาจารย์รูปแบบเดียวโดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะพูดหลักฐานถูกต้องอะไรยังไงเขาไม่มีทางทรับสัจธรรม ไม่มีทางได้รับสัจธรรมไม่มีทางได้รับสัจธรรมเพราะเขาเลือกที่จะปฏิเสธการรับรู้สัจธรรมนอกจากที่จะมาจากแค่เศสเซี่ยลส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะได้แค่เศษเซี่ยลส่วนหนึ่งว่าล้อหัวลมครับผมพี่นักที่นักยิครับโพรล์ได้จแจวได้อธิบายถึงการคิดถึงโรลล์ล็อตส์พานทุนหัวตาแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทั้งลิ้นทั้งหัวใจ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเซฟองฟานพระละก่าวว่าไงครับอินนัมัลมุมีนูนัลลาดีนอิดาซกรอวะจลคูลูบูฮมุมอ่าพี่น้องถามก่อนก่อนที่จะแปลยกขลระยะ น, ยนี้เวลาละหมาดเนี่ยละหมาดเสร็จเนี่ยเราได้คิดถึงพวล้อกันหรือเปล่าเราได้อิสติกฟัดไหมเราได้ อ่าสุภาณละล้อไหมเราได้กล่าวอัลฮัมดิลลาไหมเราได้กล่าวลอฮกบาดไหมหรือเราได้ซิกเกตบทไหนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ซิกเกตโอเคอันตารายละถ้าได้ซิกเกต็ตคำถามที่ตามมาคําถามที่ตามมานะถ้าพี่น้องได้ซิกเกตนะสุภาณลล้อก็ได้อัลฮัมดิลลาก็ได้ลอฮกบาดก็ได้ซักพลอละล้อก็ได้อะไรก็ได้ถ้าพี่น้องที่ทําการอนุรกถึงอัลลอฮ์คำถามที่ตามมาเวลาคิดถึงผู้ละล้อเนี่ยเราคิดถึงจริงๆหรือเปล่า หรือเราสวดหรือเราแค่ท่องบทสวดเราแค่สุบรเราสุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆงๆงอหๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ วทีรักกรุบุมคือใจของเขาจะสันสะทานมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเราตรวจสอบเองได้ง่ายๆเลยเวลาที่เราทําการดิกรุลลอฮ์เวลาที่เราทำการคิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าเราคิดถึงอัลลอฮ์จริงหรือเราหลอกตัวเองถ้าเราคิดถึงหัวล้อสุบานหัวตายอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เรากราบสุบานอัลลอฮ์ ใ่เราสถานหรือเปล่าเราคิดถึงอะไรอยู่ซอรดีต่ออัลลอฮ์ไหมให้ความบริบบสุทธิ์แด่พู้อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องตรวจสอบตัวเองเป็นประจำครับเพราะเราต้องอะไรครับเพราะเราต้องขัดเกา่าเพราะเราต้องอะไรเพราะเราต้องคิดถึงอัลลอฮ์เพราะเราต้องอะไรเพราะเราต้องละหมาดทาไมต้องทําที่ว่ามาเพราะเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตของเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคราีรอนครับ นี่คือมุสลิมมีแค่นี้ครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีอะไรยากไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้เราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตพี่น้องอาคิราะอยากประสบความสาเร็จเป็นอันดับหนึ่งดุลยาเราก็อยากประสบความสำเร็จในดุญยาเช่นเดียวกันและนี่คือ ด, ดุญแจทั้ง3ดอกที่เราจาเป็นต้องมีถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งดุญยาและอาคิรในสภาพ บ่าวที่พ่อ Allah s u b h รักครับผมครับพี่น้องที่รักี่ิ่งครับคุณฮซนสซัสลามัครับุสลามุสลลอวะบาริกาตูนะครับก็คุณบดียะนะครับสลามาบริคุณสุลามุสตลลอห์วะบาริกตูพี่น้องท่านใดก็ตามที่สลามาแล้วผมไม่เห็นขอมาอด้วยนะครับก็ขอตอบว่าวริคุณสุลามุสลลอห์วะบาริกตูครับพี่น้องที่รักที่ิ่งครับก็อัฟละฮะมันตักวกะรสมรบิฮฟซัลน่นอนผู้ที่ประสบชัยชนะนั้น คือผู้ที่เขาขัดเกลาร์เองตลอดเวลาคือผู้ที่คิดถึงนามต่างๆของพระ อ, องค์แล้วคือผู้ที่เขานั้นทำการลามาินชาวล้อครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอ맙ด้วยอาจจะได้พูดคุยแต่เพียงเท่านี้ถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะเชิญให้นะครับในส่วนของฟิกกับส่วนของแทปซีตอีกครอบอีกคาบหนึ่งนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดไปประการแรกพวกเราทุกคนขอให้ด้วย ต่อโพล์ลสุบะฮันใ่ในความผิดที่เรามีแล้วก็ถ้าเกิดผมล่วงเกินท่านใดทำอะไรผิดพาดกับพี่น้องไปก็ขอมาด้วยครับอักูลูกาลีฮาดาวัสสลามุลลอฮ์ลิวลัคุมุลิซาลิมุสลิมีน่ามินคุลิลมัสวิรูอินัวัละกฟูอัลฮิมสุบฮันกัลลัมัยฮัมิะอัลฮ์ฮัุลลาอิลาอัลลมตะอัสลุวตัลามะลิคุมับลลอห์วะบารักาตุฮค